นามตตสัพพะวาอรหตสัมมาสัมพุทธะนามตตสัพพะวาอรหตสัมมาสัมพุทธะนามัตตสัพพะวา อะระหัสัมมาสัมบุทสังเทเรปามันานะนาวาระตาเนากัตังกาแมราดังขามาตุโนพันติเเรปามานิน นาวาระทเจนกัตังาบังอภระังขมาตุโนพันธ์เตเทเรปมานีนานาวาระทเจนกัตังาบังอภาระังขมาตุโนพันธเต หังขมามิตุมเหหิปิเมขมามิตะ บ, บังเอวังหตุเอวังหตุ โ, โ, ฆ โ, ฆโยจะปุเบปะมัชิตตวาปัตซ า, าโซนปะปมะสติโซมังโลกังปพาเซติยภามุตโตวัจันธีมาอภิวาธนาสีลิสณิจจังบุตธาปจายิโนจัตตารธรร ม, มาวาทานติอายุวันโนสุ ข, ขังภาลางัง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 ในถิ่นฐานบริเวณที่เรารักเคารพนับถือคือถือเป็นประเพณีกันมาตั้งแต่นมนานในการกราบพรวะคุบาจารย์ถ้าทางภาคเหนือเขาว่ามุดน้ำดำหัวแต่ว่าพระอุบาจารย์ทางอีสานเขาบอกทำวัดแต่ถ้าเป็นภาษาภาคกลางทวาวัดเช้าทวัดเย็นอันนะั้นคือไหว้พระแต่ทางอีสานของเรานี่ว่ ทำวัดเนี่ยก็คือไปครวะคูบาอาจารย์เป็นที่รู้กันคือมีขันหา้ามีดอกไม้ทูบเทียนไปการาบครวะคูบาอาจารย์ให้อโหสิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้กล่าวเบื้องต้นว่าเทเรประมาเดนะอย่างที่จบลงไปสักครูน่นี้ถ้าจะว่าไปในเนื้อหาหรือว่าคำแปลเนะี่ยอพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทผัดพังผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ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 มันเข้าถึงอาจจะไม่ถึงบ้านผือชจทกได้ส้ําไปแต่ความมุ่งหมายของเราคือพ้นทุกเพราะนั้นให้ตั้งความหวังไวเลยว่าข้าไปเจ้าขอบให้พ้นทุกในวัฏฏสงสารเพราะนั้นเวลาเราทําอะไรก็ตามเราก็จะพยายามมุ่งมั่นต่อคุณงามความดีของเราถึงจะไม่ถึงกรุงเทพแต่ก็ถึงอุดรถึงอุดรแล้วถึงขอนแก่นถึงโค ร, ราชมา ง, งั้นเถอะเพราะนั้นท่านว่าให้ตั้งจิตมุ่งมั่นเอาไว้อันนี้ก็คือ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 ให้ยอมรับความคิดของตอนเองเอาไว้ก่อนข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตเพราะถึงยังไงยังไงครูบาอาจารย์ท่านก็มีดีอยู่แล้วห ล, หลายด้านท่านจึงเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านจึงแนะนำสั่งสอนพวกเราเออพราะนั้นพวกเราอย่างน้อยก็เดินตามแนวแถวของครูบาอาจารย์เอาไว้มีแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าว่าพวกเราทาออกนอกรูกนอกทางความหายนะก็จอม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 ผู้ศีลไม่มีศีลออกนอกลูกนอกทางทีนี้การพูดกันก็ไม่รู้เรื่องกันเลยทีนี้คนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งทําอย่างหนึ่งนานาจิตตางนานาทัศน์ใครๆเห็นก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันในหลักธรรมวินัยก็เข้ากันไม่ได้ อ, อ, อันนี้แปลว่าพระสงค์หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อันนี้เรื่องของศีลศีล ส, สรุปแล้วก็คือการอยู่ร่วมกันให้มีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าหาว่า คนพวกเราคราวญาก็ดีญาติโยมก็ดีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ดีขาดศีลหาความสงบปล่มเย็นเป็นสุขไม่ได้สรุปลงได้อย่างนั้นนะถ้าวันโลกทั้งโลกขาดศีลมากๆโลกในยุคนั้นสมัยนั้นก็หาความสงบรล่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่หวาดระแวงแคลงใจกันมีแต่จะประหัดประหารซึ่งกันและกันถ้าว่าพระสงฆ์ในยุคใดสมัยใดเป็นผู้ทุศีลยุคสมัยนั้นก็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 คิดยังไงมันจะจะถูกต้องคิดยังไงมันผิดทางคิดยังไงมันจะทำให้ตนเองเดือดร้อนสรุปแล้วคือศีลเนี่ยคุ้มครองกายคุ้มครองกายกับวาจาส่วนธรรมะเนี่ยคุ้มครองใจแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่ทานบอกออกมาเลยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในตัวของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างสองอย่างนั่นคืออะไรรูปประธรรมกับนามธรรมา รูปธปรรมนั่นคือร่างกายที่เห็นกันอยู่เนี่ยนั่งอยู่ทุกคนเนี่ยแปลว่ารูปธปรรมส่วนนามธรรมานั้นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนคิดเรื่องอะไรในเดียวนี้ตัวเองนะ่รู้ในใจของพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายรู้แก่ใจว่าเราคิดเรื่องอะไรอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเชนว่ารูปธรรมคือร่างกายมองเห็นกันนั่งอยู่สงบนิ่งแต่ส่วนนามธรรมานั้น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 เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นเรื่องใจให้ใจเนี่ยคิดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนวิธีการคิดคิดยังไงเพ่จึงจะถูกต้องท่านจึงให้สอนวิธีการคิดคือพระพุทธเจ้าท่านสอนมาก่อนท่านคิดมาก่อนแล้วที่ท่านออกไปบวช เ, เมื่อสองพันห้ากว่าปีไปอยู่ที่โคนต้นโพรประเทศอินเดียเนี่ยแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเสด็จจาก กรุงกบิลพัทสมัยนั้นคงจะขีม่ม้าขันกะข้ามโคกข้ามร่อนข้ามถุงข้ามท่ากระโดดไปจนไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าทางที่กรุงกบิลพัทถึงต้นโพที่ว่าเนี่ยประมาณ200กิโลเขาวางกันนะถ้าจะว่าไปแล้วจากนี้ไปเมืองขอนแก่นเหมือนกันจากวัดนาคําน้อยพอเราไปถึงขอนแก่นก็ไม่ใช่ใกล้เหมือนกันนะขี่ม้าไปทั้งคืนไปถึงนั่นก็ไปอยู่ที่นั่น บำเพ็ญอยู่บริเวณนั้นถึง6ปีอันนี้คือพระพุทธเจ้าไปทดสอบพระองค์เองไปภาวนาไปดูใจของพระองค์เองไปสังเกตใจของพระองค์เองอยู่ในป่าที่แรกท่านก็บำเพ็ญทุกอย่างบำเพ็ญทุก ก, กัจจ리ยากดพระกยายหารถึง49วันจนร่างกายผอมโกรกอย่างที่พวกเราเห็นพระบำเพ็ญทุก ก, กัิจ리ยาจากนั้นพระองค์ก็ฉันพัตตาหานร่างกายปกติสมบูรณ์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 เกิดญาณทัศนะขึ้นมาเมื่อเกิดญาณทัศนะขึ้นมาพระพุทธองค์ได้ฌานระลึกชาติผลหลังได้นี่ระลึกชาติผลหลังได้แสดงว่าตายแล้วไม่สูญไอ้พวกเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าในจุดนี้เอาไว้ถ้าว่าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติได้ยังไงเมื่อวานไม่มีเกิดมาพบนิชาติเดียวเนี่ยเมื่อวานไม่มีเจะระลึกได้ยังไงแต่อันนี้เมื่อวานมีอดีตมันมีเมื่อวานเนี่ยท่านก็ระลึกถึงเมื่อวานเนี่ยคือชาติที่แล้ว และกละลึกถึงวันก่อนชาติก่อนไปอีกไล่ไปเรื่อยกี่พบกี่ชาติพระพทุทธองค์รู้ได้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติที่พระพทุทธองค์ได้บําเพ็ญมาเนีอันนี้พระพทุทธองค์รู้ได้ด้วยญาณทัศนะญาณทัศน์นี่พระพทุทธองค์ได้มาอย่างไรก็อย่างที่ได้พูดเบื้องต้นว่าท่านนั่งสมาธิทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญชาติหน้ามีจริงหรือไม่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 คิดดีพูดดีทดําดีเขาจะต้องไปเกิดในที่ดีแต่ว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเขาจะต้องไปตกนรกไปใช้กรรมของเขาไม่เหมือนกันอันนี้พระพุทธองค์ก็รู้อีกว่าตูตูปะ ป, ะปะตาตยานการจุติของสัตว์ของวิญญาณ น, นั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาที่ท่านบนรรลุสาอย่างที่โคนต้นโพในคืนวันเดือน6กเพนนนั้น วันสว่างพระพุทธองค์ได้ตัดสรุธธรรมได้ว่าอาสาวกไอยาหยานหานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะเพราะว่าพระพุทธองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาถึงตัววิชาอาวิชาปัจจะยาสร้างข้าราสร้างขาราปัจจะยาวิญญาณวิจญานามารูปังจนถึงโสกปริเทวทุกขโทมานัสสุอุปายาตการที่มนุษย์ชาติของเราเกิดมา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 ด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาในเมื่อบำเพ็ญด้วยศีลสมาธิปัญญากระเทาะกิเลสราคะโทสะโมหะออกแล้วจิตใจของพระ อ, องค์เข้าสู่ความบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งแล้วทีนี้พระพุทธ อ, อ, องค์รู้ด้วยพระ อ, องค์เองว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วเราตัดกำลัล้องกงเกวียนของตัวอวิชชาจบลงไปแล้วจากนี้ไปเราจะไม่มีชาติอีกแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้ว อันนี้พระองค์รู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะี่มีที่สิ้นสุดการกระเทาะ น, นั่นคืออะไรการกระเทาะเปลือกถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับเราเอาเข้าวเปลือกมาสีหรือมาตํามาโขให้เม็ดมันออกอย่างนี้พอกระเทาะเปลือกมันออกแล้วตามันก็ออกยางมันก็ออกมันมีแต่ข้าวสารในเมื่อมีแต่ข้าวสารเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะมันมีแต่ข้าวสาร อันนี้ก็เหมือนกันใจของพระ อ, องค์เนี่ใช้ตรประธรรมคือศีลสรรมที่ปัญญาเข้าไปเผาเข้าไปถลุงปล่อยวางให้หมดไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงจนกิเลสหลุดลุยออกจากจิตใจพระไทยของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็หมดจดจากกิเลสเหมือนกับกระเทาะเปลือกข้าวเปลือกออกอย่างนั้นอ่ะยังเหลือแต่ข้าวสารเอาข้าวสารไปปลูกที่ไหนก็ไม่เกิดทางนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มีเชื้อไม่มีที่จะนําให้เกิดอีกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย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 ทางโลกนี้และโลกนาเพราะนั้นบุญคานี้เป็นของละเอียดอ่อนนะไม่ใช่ของพูดเล่นนะเป็นของละเอียดอ่อนตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกออนรกสวรรค์มีจริงถ้าพวกเราอยากจะรู้ให้ภาวนาให้พิสูจน์ตามหลักพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าแต่บางคนก็พูดแบบง่ายๆว่าทำไมคนตายแล้วทาไมไม่มาบอกกันมันตายแล้วหายเงียบไปจะบอกได้อย่างไรพวกเรานั่งอยู่นี้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 หรือพระอรหรันตสาวกเนี่ยท่านมีญาทัศนรระอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าท่านภาวนาจนได้ยาทัศนรระขึ้นมาเนี่ยท่านจะรู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองว่าพวกเราอยู่ในเนี้ยใครคิดเรื่องอะไรพระพุทธองค์จะรู้หมดว่าท่านองค์นี้คิดเรื่องอะไรคนนั้นคิดเรื่องอะไรแต่ตามไม่จริงท่านก็คงจะไม่รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเนีหลวงพ่อว่านะท่านเป็นพระอรหรันต์ด้วยท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ใช่ท่านจะเปิดฟัง วิทยุทั้งวันทั้งคืนคงจะไม่เป็นอย่างนั้นพระมองเข้าไปทีไรก็เห็นแต่กิเลสราคะโทสะโมหะเต็มยั่วเยี่ไปหมดมองเข้าไปที่ไหนก็เห็นแต่กิเลสคนนั้นเห็นแต่กิเลสคนนี้พระหันภาษาวกท่านก็คงจะอ้วกแต่ทั้งวันเหมือนกันเถอะเ <c oughs> บื่อกิเลสของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นท่านคงจะไม่กลางเลดาของท่านดักอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุแต่คนเบื่อกิเลสของมนุษย์ชาติ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 ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะผรินิพพานวันเดือนหกเพนเหมือนกันที่เมืองกุชชินาราานั่นน่ะพระพุทธเจ้าสั่งว่า เ, ออเป็นคําวาจากสุดท้ายเป็นปัจฉิมโอวาทขยะวิยะธรรมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะั่นซปาเดทาติขอท่านทางหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าท่านว่า ยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็อย่ให้บกพร่องและก็พร้อมกันก็ให้ช่วยประโยชน์คนอื่นด้วยแนะนําสั่งสอนคนอื่นด้วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คนอื่นไปด้วยอย่าเอาแต่ตนคนเดียวอันนี้ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าปัชิปะโอวาตจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์เงียบไม่พูดอีกทําการปรินิพานเข้าสู่ฌานปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจตุฌานคือเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่3ที่4ที่5ที่6ที่เจ นี่ขณะที่เข้าฌานอยู่นั้นนะ่ะพระอนุรุท ธ, ธะพระอนุรุท ธ, ธะเนะี่ยเป็นลูกของพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าที่ได้บวชเป็นพระอรหันต์ได้รับเอธัตกะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีปรตัตตาวิชาคือรู้จิตใจของคนอื่นคิดเรื่องอะไรท่านอนุรุท ธ, ธะเนะี่ยรู้ได้หมดว่าใครคิดเรื่องอะไรเพราะได้ญาณทัศนะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าพระพุทธองค์ได้ญาณทัศน์ะนะ่ย พระอนุรทธท่านก็ได้ยานัทสนะอันนี้เหมือนกันท่านก็นั่งอยู่ในบริเวณนั้นท่านก็นั่งเฝ้าพระพุทธองค์ภาสาวกทั้งหลายก็ถามว่าท่านอนุรทธพระพุทธเจ้าปรินิพานหรือยังพระอนุรุทธาก็ตอบว่าอย่างขณะนี้พระจิตของพระพุทธเจ้ากําลังเข้าสู่ฌานปฐมฌานตุติจฌานตติยฌานเจตุทฌานและกฌานที่ห้าฌานที่6กฌานที่7จนถึงสัญญายิตรวโรธสมาบัติ จากนั้นก็ย้อนกลับลงมาอีกจนมาถึงฌานที่1นึ่งพอฌานที่1จากนั้นย้อนขึ้นไปอีกไปถึงฌานรูปประฌานกับอรูประฌานฌานที่4ี่กับฌานที่5ระหว่างฌานทั้งสองพระพุทธเจ้าปรินิพานในระหว่างฌานที่สและที่5พระอนุรุทธะท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วในระหว่างฌานที่4ี่กับฌานที่ห้าท่านไม่ได้ปรินิพานในฌานใดฌานหนึ่งในทั้งเจ็ดฌานนั้น อันนี้เมื่อปรินิพานแล้วหมดความหมายไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอย่างไงเพียงแต่ว่าปรินิพานนิพานันานางปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพานังปรามังศูนอย่างนิพานศูนย์คือไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้อีกอย่างพอนั้นพระนุตุทะท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้อีกแล้วนี่แหละคำว่าศูนย์คืออะไรศูญย์เชื้อ ศูนเชื้อคือศูนย์กิเลสเหมือนกับมเมล็ดข้าวเนะนี่ศูนย์ตาของมันศูนย์น้ํานี่เชื้อของมันที่จะปลูกให้เกิดอีกได้อันนี้หมดเชื้อแล้วนิพพานังปรามังศูนย์ยังศูนย์เชื้อนิพพานังปรามังสุขขังกิเลสตัวอื่นไม่มีตัวไหนที่จะมารบกวนจิตใจของพระองค์ได้อีกแล้วจิตใจพระองค์บริสุทธิ์แล้วอันนี้แปลว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธศาสนาพรพุทธเจ้านี่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 แต่ตัวเกิดมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดสักมันจะได้จบอันนี้คือเป็นคําพูดที่แบบตัวเกิดนะเราหากเกิ ด, นะ เ, ก เ, กดเมื่อเราเกิดมาเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแก่เจ็บตายจะต้องตามหลังมาแน่แนความทุกข์ยากลําบากพัดภาคพิไรลําลพันธ์ต้องตามมาอีกเออไม่ใช่ธรรมดาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่มาปีที่แล้วหลวงพ่ออินก็คงจะไม่แก่อย่างนี้นะ แต่มาปีนี้หลวงพ่อนี่แก่ขึ้นเยอะปีหน้ามาเห็นอีกตรงแก่ ก, กว่านี้อีกอพวกเราเขาว่าแก่ถือเป็นธรรมดาบางคนตัวเองอายุแก่ยังฉลองอีกนะฉลองวันเกิดอีกแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าถ้าคิดให้ดีแล้วมันน่าจะสำเนียดสำนึกเพราะเหตุไรเพราะว่าแก่คํานี้นะ่ะถึงจะนอนหลับนอนตื่นอยู่ก็ตามกินข้าวอร่ อ, อยพูดจาอย่างเทศนาอยู่อย่างนี้ก็ตาม หลวงพ่อเนี่ก็เหมือนกันนั่งลอนั่งเกวียนนั่งรถลากรถไถของพญามัจจุราชดึงไปอยู่ตลอดอย่างนั้นเถอะลากไปอยู่ตลอดแก่ไปอยู่ตลอดแก่ลากไปอยู่อย่างงั้นนะ แ, แต่พวกเราก็ยังคูดสนุกสนานอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็พูดอยู่นี่แต่ตามจริงพญามัจจุราชแกไปอยู่นะเดี๋ยวนี้แกไม่มีจังหวะไม่มีระหว่างเลยแก่ไปหาอะไรแก่ไปหาผมหงอกผมขาวแก่ไปหาตาฝ้าฟางแกไปหาหูหนวกหูตึง แกไปหาฟันหลุดแกไปหาหนังเหี่ยวเฮ้มันแก่ไปอย่างนั้นนะแก่ไปแก่ไปผลใด้สูตเห็นไหมคนแก่พวกเราทั้งหลายคงจะเห็นพอแก่ไปแล้วไม่รู้จะแก่ไปที่ไหนเธอเองกิ่งลงหน้าผากิ่งลงเหียวเออพอกิ่งลงเหวก็ได้พบหนึ่งชาติหนึ่งตายไปพอตายไปแล้วกับวิญญาณนั้นวิญญาณที่วันนามมะธรรมที่หลวงพ่อได้พูดว่าร่างกายนี่มีอยู่สองอย่างคือรูปประทับกับนามมะธรรมแต่รูปประทับนั้นตายแน่ว่าไ ง, งเอาไปเผา ใส่เมลใส่เมลเผาหรือก็ไปลอยอังคารแเมลน้ําโขงไม่รู้กี่ศพตะกี่ศพมาแล้วแต่นี่ใจละบัากใจนั้นตะเกียกตะกายขึ้นมาเกิดอกเองมาเกิดเองแต่ว่าเกิดขึ้นมานั้นจะเกิดที่เก่าหรือว่าจะเกิดที่ดีไหมอันนั้นรับรองไม่ได้เลยท่นี่ถ้าว่าใครทํากรรมสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้กรรมดีนะ่าจะต้องตามสนองคนนั้นเหมือนกับคนมีเงินนะ เมื่อเราอยู่เดียวเนี่เราสั่งสมบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบิดามารดาเคารพครูบาอาจารย์ช่วยสาธารณาประโยชน์สร้างสั่งสมบุญกุศลจิตใจเป็นกุศล เ, เมื่อตายไปแล้วเหมือนกับเรามีเงินมีทุนอยู่ในตัวของเรามีเงินอยู่ในตัวของเรามีบุญเหมือนนเะวิญญาณที่มีบุญเมื่อร่างกายตายไปแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนเรามองดูได้ว่าเออคราวนี้เราจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีตระกูลไหน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 ออกมาเป็นวัวออกมาเป็นช้างออกมาเป็นหมูเป็นหมากล า, กายไปได้ทั้งนั้นคนไม่มีบุญแต่คนมีบุญนะเลือกเกิดได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้เพราะว่าได้สั่งสมบุญเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นบุญจึงว่าเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหนาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่หลวงพ่อพูดมาให้ฟังทั้งหมดหรือว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นคือย้ําว่าตายแล้วไม่สูญ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 อันนั้นความล้วนเล่หรือกความสงสัยความตั้งใจของเราที่จะสั่งสมคุณงามความดีก็ไม่หนักแน่นเพราะเหตุใดเพราะว่าพวกเราไม่มั่นใจว่าตายแล้วจะได้รับผลบุญกุศลหรือไม่เพราะฉนั้นเราก็เลยแบบเก้เก๊กังๆเงื้อเงังักเชื่อบางไม่เชื่อบั ง, บงถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันจะไหลไปทางชั่วใช่มากกว่ามันจะไม่ไหลไปสู่ทางดีเพราะฉนั้นพวกเราท่านทางหลายทุกๆท่านนะ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 ไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทควรจะฝึกหัดจิตภาวนาเอาไว้น ะ, ะก่อนหลับก่อนนอนนั่งสมาธิอย่างน้อย5นาที10นาทีกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกฝึกหัดเอาไว้อย่างนั้นเถอะนะพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธต่อไปถ้าว่ามีปัญหาอะไรก็มาถามครูบาอาจารย์เพราะท่านอยู่ในวัดในวาครูบาอาจารย์ที่มาเนี่ยท่านฝึกหัดจิตภาวนาไว้ทั้งนั้น ให้มาถามกราบเรียมถามท่านได้ว่าเออครูบาอาจารย์ผมภาวนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงหรือว่าเอาหนังสือให้ไปนี่ยเราก็ไปศึกษาออไปอ่านดูจากนั้นกับปฏิบัติเห็นอย่างไรมีความรู้อย่างไรออจากนั้นก็มาถามครูบาอาจารย์วิธีการปฏิบัติถ้าพวกเราฝึกหัดได้อย่างนี้นะออหลวงพ่อว่าความสงบความร่มเย็นเป็นสุขก็จะสู่จิตใจของพวกเราพวกเราไม่มีใครที่จะแบ่งเอาจากพวกเรานะ สอนทางนี้ทางนั้นพระพุทธเจ้าสอนท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากพวกเราพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วมีแต่วางทำคําสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเท่านั้นแหะจากนั้นพวกเราปร ะ, ประพฤติปฏิบัติก็เป็นสมบัติของตนเองไม่มีใครที่จะมาแบ่งปันจากพวกเราไปเพราะนั้นสมบัติที่พวกเราได้นั่นก็คือความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวนะการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควร ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่พวกเราท่านทั้งหลายปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการเทิน